เป็นเรื่องเป็นราวกับปอนย่าคบเส้นสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังปอนพอดแคสตุกท่านเราน่าจะไม่ได้เจอกันมาประมาณ5ปีแล้วนะคะหลังจากพอดแคสสุดท้ายซึ่งดิฉันก็จําไม่ได้แล้วว่าเอพิโซดนั้นคืออะไรพูดถึงอะไรบ้างนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่ายินดีมากที่ได้กลับมาสู่โลกพอดแคสอีกครั้งหนึ่งนะครขอบคุณโปรดิวเซอร์แชมป์ด้วยนะคะที่ยังไม่ give up on ดิฉันนะคะเอาเป็นว่าทุกคน วันนี้กลับมาในพอดแคสต์ทั้งทีเพราะเสียงเรียกร้องจริงๆมีคนหลังใบเข้ามาพูดเยอะมากเลยว่าพี่ปอนอย่าหยุดทำนะพอดแคสชอบมากนะคะปอนก็เลยรู้สึกว่าเอาหลักฉันก็หยุดไปนานดังนั้นฉันจะกลับมาในรูปแบบไหนดีนะคะก็เลยตัดสินใจว่างั้นเอาคอนเทนต์ Youtube มารีไซเคิลก็แล้วกันนะคะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าโอ้ยทาไมโฆษณาเยอะหรือว่าอยากฟังแต่เสียงยาวๆไปเลยก็คือไม่ต้องดูหน้าก็ได้ว่างั้น ก็เลยรู้สึกว่าเอาลังั้นจัดให้นะคะเอาคอนเทนต์ยาวๆใน YouTube มาลงในพอดแคสต์เพื่อที่ทุกคนจะได้ฟังเลดไปเลย3เดือนอีกครั้งค่ะนี่คือจุดขายฟังพอดแคสต์ได้ข้อมูลเลด3เดือนนะคะซึ่งวันนี้สิ่งที่จะเอามาลงก็คือเรื่องของโรคซึมเศร้าจากผู้เชี่ยวชาญด้านโรคซึมเศร้าระดับโลกเลยด็อร์ยับโก้เนี่ยนะคะ ตอนที่ฟังครั้งแรกใน YouTube รู้สึกโอ้โ ห, โหแบบมันจริงมันอินเดปซ์มากแล้วก็เลยไปแปลแปลยาวมากเป็นชั่วโมงก็เลยต้องตัดออกเป็น2ท่อนนะคะอันนี้คือท่อนแรกค่ะทุกคนซึ่งไม่ว่าคุณจะมีอาการนี้หรือว่าคุณอยู่กับคนที่มีอาการนี้มีแฟนมีญาติมีพี่มีน้องอะไรก็แล้วแต่บอกเลยว่าฟังเพราะมันเป็นประโยชน์มากเชิญคะ่ะ ในคลิปนี้ค่ะคุณหมอเริ่มเรื่องโดยการเล่าว่าตอนที่ตัวเองเป็นนักจิตวิทยาหนุ่มงานแรกก็คือแอดมิผู้ป่วยเข้าแผานกจิตเวชค่ะซึ่งหมอบอกว่างานของผมตอนนั้นคือการสัมภาษณ์คนไข้ว่าเหตุผลอะไรทำให้พวกเขามาอยู่ที่นี่เขามีชีวิตมาอย่างไรเขาคาดหวังอะไรในการมาอยู่ที่นี่แล้วเขามีทรี a เมนต์หรือว่าการรักษาอะไรมาแล้วบ้างทานยาอะไรบ้าง คุณหมอบอกว่าตอนนั้นผมยังเด็กแต่การได้โอกาสให้ได้สัมภาษณ์ผู้คนหลายร้อยคนในช่วงเวลาอันสั้นเนี่ยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของผมเลยมีคนที่ผ่านประสบการณ์ที่แย่ที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งพอจะคิดถึงได้เช่นถูกคมคืนทารุณหรือคนที่ลี้ภัยไปแบบวิ่งหนีกระสุนคนที่เสียคนรักทั้งครอบครัวในครั้งเดียวจากเครื่องบินตกรถชนหรือเจอกับเรื่องเ็วร้ายมากๆพอผมสัมภาษณ์เขาแล้วเนี่ย ด้วยทุกอย่างที่เขาเล่าให้ผมฟังที่เขาได้เผชิญมามันง่ายมากที่จะทำความเข้าใจที่จะเห็นใจว่าทำไมพวกเขาถึงต้องมาแอดมิดเข้าแผานกจิตเวช ท, ทำไมพวกเขาถึงสิ้นหวังกับชีวิตแล้วก็เข้าอกเข้าใจพวกเขาได้ง่ายแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคุณหมอบอกว่าจากการสัมภาษณ์คนมาเยอะมากบางคนเจอประสบการณ์ที่เลวร้ายมากแบบที่ สามารถจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคทางอารมณ์ได้แต่พวกเขาไม่เป็นซึ่งตรงนี้ค่ะคุณหมอบอกว่าผมอยากรู้ว่าทําไมพวกเขาทําอะไรกับตัวเองที่ทําให้มีภูมิคุ้มกันต่อโรคซึมเศร้าคุณหมอเกิดคําถามขึ้นสี่ข้อค่ะข้อหนึ่งมีทักษะอะไรหรือเปล่าที่ช่วยป้องกันโรคซึมเศร้า เราคุณหมอบอกว่าพอถามพวกเขาตรงๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไม่รู้สิผมโชคดีมั้งสงสัยยีนดีเขาจะไม่รู้เขาแค่ใช้ชีวิตคุณหมอบอกว่าผมพยายามหาทุกเหตุปัจจัใจถามพวกเขาว่าชอบพาหมาไปเดินเล่นไหมชอบเล่นกับหลานไหมเพราะสงสัยว่าพวกเขามีแพทเทิร์นทางความคิดแบบไหนส่วนคำถามข้อที่สองของคุณหมอแล้วทักษะเหล่านี้มันเรียนมันสอนกันได้ไหม คำถามข้อที่3คือแล้วเราจะสามารถวัดผลตามหลักวิทยาศาสตร์ได้ไหมว่าถ้ามีทักษะเหล่านี้แล้วเนี่ยจะช่วยให้เกิดอาการซึมเศร้าน้อยลงหรือบ่อยน้อยลงลดความรุนแรงลงหรือมีวงจรที่สั้นลงหรือเกิดการเกิดซ้ำน้อยลงคุณหมอบอกว่าถ้าพ่อแม่เป็นโรคซึมเศร้า ลูกๆของพวกเขาก็จะเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นจากบุคคลทั่วไป 3-7 ถึงเเท่าด้วยกันดังนั้นการมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นโรคซึมเศร้าก็เป็นปัจจัยใหญ่เช่นเดียวกันข้อ4ค่ะแล้วทักษะเหล่านี้ที่กำลังพูดถึงเนี่ยสามารถป้องกันโรคได้จริงไหมคุณหมอบอกว่า40ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นยังไม่มียาดีๆคนก็กลัวยา ยาเนี่ยมีผลข้างเคียงอย่างเช่นทำให้หูบอดได้เรายังไม่มีความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้ามากขนาดนี้ว่าอะไรทําให้คนมีความเสี่ยงสถานการณ์ไหนทําให้มีความเสี่ยงหรือแม้กระทั่งเรื่องการป้องกันดูแลเนี่ยคุณหมอบอกว่าเหมือนละครแฟนตาซีคือเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นคุณหมอกลับไปบอกว่าผมขอตอบคำถามที่ตั้งไว้ทั้ง4คําถามนั้นคือ มีทักษะอะไรไหมที่จะป้องกันโรคซึมเศร้าแล้วทักษะเหล่านี้เรียนสอนกันได้ไหมแล้วเราวัดตามหลักวิทยาศาสตร์ได้จริงไหมว่าช่วยได้จริงและข้อสุดท้ายคือทักษะเหล่านี้ป้องกันโรคซึมเศร้าได้จริงไหมคุณหมอบอกว่าผมขอตอบทั้ง4คํคถามนั้นเลยว่าใช่และได้ในทุกๆุกข้อซึ่งวันนี้เราจะมาพูดเรื่องนี้กันค่ะ อาการซึมเศร้าคือความผิดปกติทางอารมณ์ก็จริงแต่มันเป็นมากกว่านั้นกิ่งก้านสาขาของอาการเนี่ยเข้าไปแตะทุกๆุกส่วนของชีวิตของคนที่มีอาการดังนั้นโรคซึมเศร้าไม่ใช่แค่มีผลทางอารมณ์แต่มีผลทางร่างกายแล้วก็สุขภาพด้วยโดยเป็นที่มาของโรคหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้นคุณหมอด้านหัวใจและหลอดเลือดชั้นนำเนี่ยจะมีการสกรีนก่อนเลยว่าคนไข้ของเขามีอาการซึมเศร้าไหมไปถึงเรื่องความสามารถที่จัจัดการกับความคิดหรือว่าการทำงานอุบัติเหตุจากการทำงานมันยากที่จะอยู่กับคนที่มีอาการซึมเศร้าคุณหมอบอกว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของคนที่อารมณ์ไม่ดีแต่ว่าส่งผลต่อคุณภาพชีวิตองรวมของพวกเขาเลยก็ว่าได้ ทีนี้เรามาดูกันว่าอะไรคือสาเหตุของโรคซึมเศร้าและระหว่างที่คุณหมออธิบายสาเหตุเหล่านี้ค่ะคุณหมอก็จะให้วิธีการง่ายๆในการฝึกทักษะเพื่อป้องกันหรือว่าดูแลทัศนคติของตัวเองไม่ให้มีแนวโน้มจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะคุณหมอบอกว่าสาเหตุมีทั้งเชิงกรรมพันธุ์แล้วก็เชิงสังคมนะคะ คุณหมอบอกว่าผมบอกก่อนหน้านี้ไปแล้วว่าลูกเนี่ยจะมีความเสี่ยงเพิ่มถ้าคุณพ่อคุณแม่มีอาการซึมเศร้าแต่มันไม่ใช่เป็นเพราะยีนที่ส่งต่อนะแต่เหตุผลคือเพราะลูกได้เห็นเป็นตัวอย่างคือในฐานะคุณพ่อคุณแม่คุณหมอบอกว่ามีนักวิจัยที่วิจัยจริงจังเรื่องนี้เลยว่าแพทเทิร์นความคิดกระบวนการของครอบครัวเนี่ย ส่งต่อโรคซึมเศร้าได้อย่างไรผมบอกได้ตรงนี้ว่าส่งผลมากจริงๆผมถึงเขียนหนังสือที่มีชื่อว่า Depression is contagious ซึ่งแปลว่าโรคซึมเศร้าสามารถติดต่อได้ทีนี้เรามามองกันในมุมกว้างว่าใช่ละมีปัจจัยทางชีววิทยาเกี่ยวข้องแต่ไม่ได้เกี่ยวเยอะอย่างที่คิดกัน มียีนซึมเศร้าไหมคำตอบคือไม่มีมียีนที่ทำให้คนมีความอ่อนไหวต่อโรคนี้ไหมอันนี้คุณหมอบอกมีแน่นอนถ้าดูในมุมของโรคต่างเนี่ยมีหลายโรคที่อาการซึมเศร้าเป็นอาการต่อเนื่องจากโรคเหล่านั้นได้แล้วก็มียาหลายตัวที่ทำให้เกิดอาการซึมเศร้าดังนั้นในเชิงชีววิทยาสถิติของการเชื่อมโยงกับโรคซึมเศร้าถือว่าอ่อนมาก คุณหมอบอกว่าถ้ามาดูในเชิงจิตวิทยาก็คือเรื่องของประสบการณ์เรื่องอดีตเรื่องวิธีการแก้ปัญหาหรือจัดการปัญหาของคนคนหนึ่งรวมถึงเส้นทางที่เจ้าตัวเคยชินในการให้ความหมายหรือให้ความสำคัญต่อเรื่องต่างๆก็มีส่วนเกี่ยวข้องทีนี้มาดูกันที่เชิงสังคมในปี2004องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้โรคซึมเศร้า เป็นโรคที่นำมาซึ่งความทุกข์และทุพพลภาพอันดับที่4ถัดจากมะเรง็งโรคหัวใจและอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งเมื่อปี2004เนี่ยค่ะองค์การอนามัยโลกก็คาดว่าตำแหน่งของโรคซึมเศร้าจะขยับจากอันดับ4ขึ้นเป็นอันดับ2ในปี2020แต่ความจริงก็คือว่าโรคซึมเศร้าขยับขึ้นเป็นที่2ตั้งแต่ปี2013 และเมื่อปี2017ก็ขึ้นเป็นโรคอันดับหนึ่งในการนำมาซึ่งความทุกข์และทุพพลภาพของประชากรโลกโดยสถิติของโรคบอกว่ากลุ่มใหญ่ของโรคนี้ก็คือวัย25 4 4ถึงปีแต่กลุ่มที่ตามมาติดติดแล้วก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆก็คือวัยรุ่นคุณหมอบอกว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือในวันที่ เด็กอายุ 14-15 ซึ่งตอนนี้กำลังเผชิญกับโรคนี้เนี่ยอีก10ปีจะเป็นอย่างไรเมื่อวัยรุ่นเหล่านี้กลายเป็นพ่อแม่คนซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการศึกษาถึง3เจเนเรชันยุคที่บอกว่าการส่งต่อโรคซึมเศร้าจาก1นึ่เจเนเรชันไปอีก1นึ่เจเนเรชันในครอบครัวเดียวกันเนี่ยอาจทำให้อาการรุนแรงมากขึ้น คุณหมอบอกว่าผมเป็นห่วงที่สุดคือเด็กๆที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุผลมากมายโดยส่วนหนึ่งก็คือเชิงสังคมคุณหมอบอกว่าทำไมโรคซึมเศร้าเพิ่มจํานวนขึ้นอย่างน่าตกใจสาเหตุก็เปลี่ยนไปตามกาละสมัยค่ะวันนี้ถ้าดูการใช้เทคโนโลยีมือถือที่คุณถือทุกๆวันเนี่ยมันคืออีกหนึ่งปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงที่ทาให้เกิดการเสพติด แล้วที่สำคัญเนี่ยการศึกษาบอกว่าถ้าอยู่ๆคุณไปขอให้ในายลองไม่เช็คมือถือสักสองชั่วโมงโอ้โหเขาจะมีปฏิกิริยาไม่ดีกับเรื่องนี้เลยเพราะมันอยู่ในวิถีชีวิตและนอกจากนั้นเนี่ยก็เป็นที่ทราบดีว่าการอยู่หน้าจอไม่ว่าจะเป็นจอเล็กหรือจอใหญ่จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้าให้มากขึ้น คุณหมอบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าโลกที่ประชากรแทบจะล้นอยู่แล้วเนี่ยคนกำลังจะตายเพราะความเหงาสรุปว่าถ้าถามว่าอะไรคือสาเหตุของอาการซึมเศร้าผมตอบได้ดีที่สุดแค่ว่ามีหลายสาเหตุเส้นทางการไปสู่โรคนี้เนี่ยต่างกันออกไปสำหรับทุกๆคน นั่นหมายความว่าเส้นทางการออกมาจากโรคนี้ของแต่ละคนก็จะเป็นเส้นทางเฉพาะของแต่ละคนเท่านั้นเช่นกันถ้าถามว่ามีวิธีรักษาที่ดีที่สุดไหมคุณหมอบอกว่าคำตอบคือไม่มีไม่มีวิธีที่ดีที่สุดแต่มีวิธีที่ได้ผลสำหรับเฉพาะบุคคล นี่สำคัญมากในฐานะผู้บริโภคค่ะคุณหมอกล่าวในการที่จะสรรหาทรีตเมนต์หรือว่าการรักษาให้ตัวเองโดยที่เขาต้องเข้าใจว่ามันไม่มีวิธีการที่สำเร็จรูปอย่างที่คุณหมอบอกไปแล้วว่าในเมื่อเส้นทางเข้าไม่เหมือนกันเส้นทางออกก็จะไม่เหมือนกันหน้าที่ของเราคือต้องเรียนรู้ว่า ชั้นอ่อนไหวกับอะไรชั้นมีข้อจำกัดอะไรปัจจัยเสี่ยงของชั้นมีอะไรบ้างที่ชั้นมีแล้วคนอื่นไม่มีเราจะเห็นได้ว่าอะไรที่เป็นปัญหาของคนคนหนึ่งสำหรับอีกคนอาจไม่ใช่ปัญหาเลยก็ได้อะไรที่คนคนนึงกลัวแทบตายอีกคนหนึ่งอาจวิ่งเข้าใส่ก็ได้ไม่มีใครเหมือนกันดังนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณจะทำได้ค่ะคุณหมอบอกว่าผมจะไม่พูดอะไรมากเกี่ยวกับยาผมรู้แค่ว่าเราเอาโรคนี้ไปแขวนไว้กับยามากในช่วงที่ผ่านมาแต่ผมรู้แค่ว่าไม่มียาตัวไหนรักษาโรคซึมเศร้าได้เหมือนกับที่ไม่มียาไหนรักษาการเหยียดผิวไม่มียาตัวไหนรักษาความยากจนได้ ยานั้นพอจะช่วยได้ก็เรื่องการนอนความอยากอาหารการลดระดับความหนักของอาการได้ซึ่งที่ว่ามานี้ก็อาจจะช่วยได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของคนที่ใช้ยาจริงคุณหมอบอกว่าการใช้ยาเป็นวิธีรักษาที่พาให้โรคซึมเศร้าย้อนกลับมามากที่สุดในการรักษาทั้งหมดบางคนอาจจะบอกว่า แต่ยาเนี่ยช่วยชีวิตผมไว้เลยนะคุณหมอบอกว่าผมก็เชื่อเขานะแต่ประเด็นก็คือมันไม่เพียงพอคุณหมอบอกว่าไม่มียาไหนสอนวิธีการตัดความเครียดได้ไม่มียาไหนทำให้เรามองโลกตามความเป็นจริงได้ไม่มียาไหนที่ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์ได้ ไม่มียาจะช่วยให้คุณสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผลแทนที่จะถูกดูดลงสู่ห้วงอารมณ์ไม่มียาจะช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาช่วยการตัดสินใจหรือสร้างเน็ตเวิร์ในการมาช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตตัวเองหรือข้ามพ้นอดีตและปัญหาที่ผ่านเข้ามาได้รวมถึงไม่มียาที่จะช่วยสร้างภาพอนาคตที่น่าดึงดูดที่น่าไปหา คุณหมอบอกว่านี่สำคัญมากคนที่ตั้งคำถามแบบมองไปข้างหน้าว่าฉันต้องการชีวิตแบบไหนในอนาคตมีสิทธิ์ที่จะหายจากอาการซึมเศร้ามากกว่าคนที่เลือกจะโฟกัสกับเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ท, ที่ไม่มีทางจะไปเปลี่ยนอะไรได้เลยดังนั้นคุณหมอก็เลยบอกว่ากุญแจก็คือคำว่าอย่าไม่ทําให้หาย คุณหมอก็ขึ้นบอร์ดนะคะในเรื่องราวของปัจจัยเสี่ยงในการทำให้คนคนหนึ่งมีแนวโนม้มจากนั้นคุณหมอก็ขึ้นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คนคนหนึ่งมีแนวโน้มจะมีอาการซึมเศร้าได้นะคะซึ่งมีอยู่5ข้อค่ะก็คือ 1. internal orientation การเอาปัจจัยภายในเป็นที่ตั้ง 2. การสร้างความเครียดหรือว่า stress generation 3. Ruminating about negative and past events หรือว่าคุ้นคิด 3. Ruminating about negative and past events หรือว่าการคิดวนคุ่นคิดในเรื่องในอดีตและเรื่องลบๆ 4. global thinking และ 5. unrealistic expectation คุณหมอบอกว่าผมจะพูดถึงข้อที่มีผลมากกว่าข้ออื่น แล้วก็จะอธิบายว่ามันแสดงตัวออกมาอย่างไรข้อแรกคือ internal orientation นี่คือการใช้ตัวเองเป็นที่ตั้งใช้ความรู้สึกในการตัดสินคนๆ น, นั้นจะมองว่าความคิดความรู้สึกของตัวเองคือสิ่งตัดสินเด็ดขาดโดยเฉพาะกับเรื่องที่ยังไม่มีความชัดเจนมีนักเขียนเกี่ยวกับอาการซึมเศร้าเคยเขียนว่า ภาวะซึมเศร้าเป็นภาวะที่นาริเซสติกหรือเป็นภาวะหลงตนที่สุดกว่าภาวะอื่นๆซึ่งคุณหมอกล่าวว่าผมคิดว่าก็เกินไปแต่ก็ทำให้เห็นในมุมของเซ l ฟอ absorption หรือการหลงตนการที่มีคนบอกว่าจงเชื่อความรู้สึกของตัวเองตามเสียงของหัวใจไปผมบอกได้เลยว่าจากมุมผู้เชี่ยวชาญ คำแนะนำนั้นเป็นคำแนะนำที่ไม่ดีเอาเสียเลยเพราะความรู้สึกมันหลอกคุณได้ง่ายมากบางทีเราคิดว่าบางอย่างมันแย่แย่กว่าความเป็นจริงบางอย่างเราคิดว่ามันดีดีกว่าความเป็นจริงนี่คือความสามารถที่จะออกไปจากความคิดความรู้ตัวเองแล้วไปดูความเป็นจริงที่เกิดขึ้น าหมายในเรื่องนี้คือการเรียนรู้และเช็คความเป็นจริงคุณหมอบอกว่าผมจะพูดถึงข้อที่มีผลกว่าข้ออื่นและอธิบายว่ามันแสดงตัวออกมาอย่างไรบ้างข้อแรกคือ internal orientation นี่คือการใช้ตัวเองเป็นที่ตั้งใช้ความรู้สึกในการตัดสินเรื่องราวต่างๆและมองว่าความคิดแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองคือสิ่งที่ตัดสินเด็ดขาด ในเรื่องที่อาจจะยังไม่มีความชัดเจนคุณหมอบอกว่ามีนักเขียนเกี่ยวกับอาการซึมเศร้าท่านหนึ่งเขียนว่าภาวะซึมเศร้าเป็นภาวะที่นาร์เซสติกหรือเป็นภาวะที่หลงตนที่สุดกว่าภาวะอื่นๆผมคิดว่าก็เกินไปนะแต่สิ่งนี้ก็ทำให้เห็นในมุมของเซ l ร์ฟอปซอร์พชันหรือว่าการหลงตนถ้ามีคนบอกว่าจงเชื่อความรู้สึกตัวเองตามหัวใจตัวเองไป ผมบอกได้เลยว่าจากมุมผู้เชี่ยวชาญ น, นั่นเป็นคําแนะนําที่ไม่ดีเอามากๆเพราะความรู้สึกมันหลอกคุณได้มากบางทีเราก็คิดว่าบางอย่างมันแย่แย่กว่าความเป็นจริงหรือบางอย่างเราคิดว่ามันดีดีกว่าความเป็นจริงนี่คือความสามารถที่จะออกจากความคิดของตัวเองแล้วไปดูความเป็นจริงที่เกิดขึ้น นี่คือเป้าหมายของผู้ที่มีแนวโน้ม internal orientation คือการเรียนรู้และเช็คความเป็นจริง internal orientation คือการเอาตัวเองเป็นตัวตั้งว่านี่คือความคิดของฉันนี่คือความรู้สึกของฉันและสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนมีแนวโน้ม internal orientation คือการหาดู ว่ามีเหตุผลอื่นอีกไหมมีอะไรอีกไหมคุณหมอบอกว่าปัญหาหลักคือการที่คนคิดสิ่งต่างๆขึ้นมาเองแล้วทำสิ่งที่ผิดพลาดก็คือการเชื่อสิ่งที่ตัวเองคิดขึ้นมาเองการอยู่กับความคิดความรู้สึกตัวเองก็เหมือนอยู่ในคุกแล้วมันก็แยกขึ้นไปอีกด้วยถ้าความคิดนั้นมาจากอาการซึมเศร้า คุณหมอ ย, ยังกล่าวต่อไปนะคะว่ามันสำคัญมากที่เราจะสร้างทักษะการรู้จักรวบรวมข้อมูลและทักษะการใช้ข้อมูลนั้นแทนที่จะกระโดดไปสรุปแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวตัวเองลอยๆเรื่องนี้มีความสัมพันธ์กับอีกเรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่า social isolation หรือว่าความโดดเดี่ยวทางสังคมค่ะคุณหมอบอกว่าคุณค่าของการมีความสัมพันธ์ก็คือเหมือนกับเรามีเพื่อน ที่เราจะสามารถเล่าได้ว่าเกิดนั่นขึ้นตอนนี้เกิดนี่ขึ้นตอนนั้นฉันคิดแบบนี้แล้วก็หวังว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยจะแคร์คุณมากพอที่จะบอกกับคุณว่าสิ่งที่เธอคิดนะ่ะไม่ถูกนะพูดง่ายๆว่ากระบวนการทั้งหมดคือการเทรนตัวเองให้เรารู้จักผลิตเหตุผลอื่นๆให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างนอกเหนือจากความคิดแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองเช่น ในกอฝากข้อความไว้ให้ในขอว่านี่กอเองนะเก้าโมงเช้าแล้วช่วยโทรกลับหน่อยในก็ก็รอไปยังสี่ทุ่มในขอก็ยังไม่โทรมาถ้าในกอมีอาการซึมเศร้าใน ก, ก็อาจจะคิดว่าในขอไม่แคร์ผมเลยแล้วก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นในกอยังต่อยอดคิดเพิ่มว่าชีวิตเราไม่มีคนแคร์เลยไม่มีใครตอบเราไม่มีใครให้ความสาคัญ ไม่มีใครรับฟังฉันมันไม่ดีหนักขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอาจจะมีคนค่าตัวตายได้เพราะเขาไม่ได้รับการโทรกลับดังนั้นการเรียนรู้ที่จะหาเหตุผลว่าเออสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะแบบนี้ก็ได้แบบนั้นก็ได้ทำไมเขาไม่โทรกลับหรือท้ายที่สุดยอมรับซะว่าไม่รู้มันคือศิลปะแห่งการยอมรับในสิ่งที่เราไม่รู้ ไม่รู้ก็คือไม่รู้ดีกว่าคิดเอาเองแล้วก็เชื่อเองนั่นคือข้อแรกนะคะก็คือ internal orientation การเอาความคิดความรู้สึกของตัวเองเป็นตัวตัดสินเป็นหลักเป็นที่สิ้นสุดนะคะข้อต่อไปค่ะก็คือปัจจัยเสียงที่มีชื่อว่า stress generation ซึ่งคือการตัดสินใจทำในสิ่งที่ทำให้อาการ ของตัวเองแย่ลงไปหรือว่าซับซ้อนขึ้นไปอีกคุณหมอบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจทำให้มันแย่นะแต่สิ่งนี้คือคุณภาพของการตัดสินใจของเขาหรือที่เรียกว่า decision making strategy แปลตรงตัวก็คือกลยุทธ์การตัดสินใจและเมื่อคนคนนั้นเนี่ยไม่มีกลยุทธ์ในการตัดสินใจมัวแต่ตามความรู้สึกตัวเองตามเสียงในหัวใจสิ่งที่ตามมาก็คือความผิดพลาดเช่น คุณหมอบอกว่าผมบอกคนไข้ผมว่าเนี่ยผมเห็นคุณไม่ค่อยขยับร่างกายเท่าไหร่คุณรู้ไหมว่าจากการศึกษาเนี่ยการออกกำลังกายส่งผลดีพอๆกับยาเลยนะแล้วที่สำคัญเนี่ยมีเร t การเกิดโรคซ้าน้อยกว่ายาอีกผมว่ามันน่าจะดีนะถ้าคุณจะ exercise เ, เพิ่มขึ้นคนไข้ก็มักจะตอบว่าผมรู้แต่ผมไม่มีอารมณ์คุณหมอบอกว่านี่คือการตัดสินใจที่ไม่ดี เพื่อนเขาบอกว่าเฮ้ยแกดูไม่ไหวแล้วนะไปหาหมอหาผู้เชี่ยวชาญไหมเขาก็ตอบว่าไม่คุณหมอบอกว่านี่คือการตัดสินใจที่ไม่ดีเฮ้ยคุณไปหาหมอสมมติว่าคุณไปหาหมอแล้วหมอให้ลิสต์รายชื่อนักบาบัดมาสามคนคุณเอากระดาษเข้ากระเป๋ากลับบ้านแล้วไปขยำทิ้งหมอบอกว่านี่คือการตัดสินใจที่ไม่ดีนี่คือ stress generation ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตัดสินใจ แล้ววันหนึ่งคุณตัดสินใจกี่ครั้งนักประสาทวิทยาพบว่าอารมณ์ส่งผลต่อความจำอารมณ์ส่งผลต่อการแปลความหมายและให้ความหมายเรื่องราวต่างๆและอารมณ์ยังส่งผลต่อการตัดสินใจอีกด้วยเช่นถ้าคุณอยู่ในอารมณ์โมโหถามว่าคุณมีแนวโน้มแค่ไหนจะทำอะไรเสี่ยงคำตอบคือมากถ้าคุณอยู่ในอารมณ์กลัว ถามว่าคุณมีแนวโน้มแค่ไหนจะทำอะไรเสียเส่ยงๆคำตอบคือน้อยคุณหมอบอกว่าการทำงานบำบัดของเราคือความพยายามที่จะเอาอารมณ์ออกจากกระบวนการตัดสินใจสมมุติเพื่อนบอกว่าเฮ้ยออกไปสังคมบ้างไห้อย่าอยู่แต่ตัวคนเดียวคนไข้คุณหมออาจจะบอกว่าไม่อ่ะคุณหมอบอกหยุดดื่มเธอการดื่มทำให้โรครุนแรงขึ้น การเดินทางของแอลกอฮอล์ในร่างกายของเราเนี่ยนะมีลักษณะคล้ายกับกระบวนการเข้าสู่วงจรซึมเศร้าเลยแอลกอฮอล์ไม่ดีมากๆสําหรับคนที่เป็นซึมเศร้าการดื่มควรอยู่ที่ศเอร์ซเลยโดยเฉพาะชนชาติที่ชอบดื่มเนี่ยถ้าคุณหมอบอกเรื่องนี้เขาก็จะตอบว่าไม่เขาไม่เลิกนี่คือเรื่องของการตัดสินใจ2ข้อผ่านไปนะคะข้อแรกคือเอาตัวเองแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้ง ข้อ2เป็นเรื่องของการตัดสินใจทำอะไรที่ทำให้อาการของตัวเองแย่ลงหรือว่าซับซ้อนมากขึ้นคือ stress generation ข้อต่อไปค่ะคือ Rumination ส่วนในคลิปหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยกันอีก3ข้อที่เหลือนั่นก็คือเรื่องของการคิดวนในเรื่องอดีต global thinking แล้วก็ unrealistic expectation นะคะคุณมผู้ฟังสามารถที่จะกด subscribe ช่องปอนยาคบเซ่นได้ค่ะ ให้ช่องนี้เป็นช่องให้คุณได้พักรักแล้วก็ดูแลตัวเองค่ะใครฟังมาถึงตอนนี้ก็ปาเข้าไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะยังมีต่ออีกคลิปหนึ่งค่ะว่ายังมีวิธีคิดอะไรอีกที่ทำให้เราเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าและเราจะฝึกตัวเองยังไงให้ไม่ตกอยู่ในวงจร น, นั้นนะคะ